เรื่องพระราชากัปปินะกับพระนางอะโนชาพระศาสดาประทับอยู่ในเชตวันส่งประราพระมหากัปปินาเทระกับพระนางอโนชามีอนุภุมิภิคถาความพิสดารดังต่อไปนี้ในอดีตการท่านพระกัปปินะได้ทําอภินิหารไว้แทบบาดมูลพระประทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหนึ่งแสนกับล่วงมาแล้ว ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารแล้วมาเกิดเป็นนายช่างหูกผู้เป็นหัวหน้าในบ้านช่างหูกไม่ไกลจากพารานสีครั้งนั้นเป็นพุทธันดรกับคือกับที่ว่างพระศาสนาพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าพันองค์อยู่ในหิมวันตัประเทศ8เดือนอยู่ในชนบทสี่เดือนอันเป็นฤดูฝนพักอยู่ไม่ไกลจากกรุงพารันี พัญยาในช่างหูหัวหน้าไปทำกิจในกรุงพาราณสีเห็นพระประเจ ก, กพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงนิมนต์รับภิกษุในวันรุ่งขึ้นนางกลับบ้านเป่าร้องพัญยาช่างหูทั้งพันบ้านจัดแจงถวายพัตนาหารพรุ่งนี้พวกชาวบ้านตั้งอยู่ในถ้อยคำของนางสร้างศาลมุงด้วยใบยไม้พันหลังพร้อมกับที่พักกลางวันกลางคืนให้พระกุลเจ้าทั้งพันจาพรรษาที่นั่น ครั้นออกพรรษาแล้วก็ชวนกันถวายจีวรท่านอนุโมทนาแล้วหลีกไปคณะของนายช่างหูจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในภพดาวดึงนามว่าคณะเทวบุตรครั้นสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคณะเทวบุตรมาเกิดในเรือนกุดุมพีในกรุงพาราณสีหันหน้านายช่างหูเป็นบุตรของกุดุมพีผู้ใหญ่ ฝ่ายพัญญาของเขาเป็นทิดาของกุดุมพีผู้ใหญ่เหมือนกันหญิงเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถึงความเจริญวัยแล้วไปสู่ตระกูลผัวสู่เรือนของบุรุษอดีตชาติที่เคยเป็นช่างหูกเหล่านั้นนั่นแหละต่อมาวันหนึ่งกุดุมพีทั้งหมดและพัญญาได้ไปฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสปะฝนตั้งเขาและตกหนักเขาทั้งหลายหลบหนีฝน กลางคิดว่าควรสร้างวิหารให้พระภิกษุทั้งหลายและบริษัทเขาทั้งหลายร่วมกันบริจาคทรัพย์แล้วเล่าเๆ่เนื่องจากเป็นวิหารใหญ่คนละพันบ้างห้าร้อยบ้าง250บ้างเนืองเนืองทำการฉลองวิหารถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจวันและถวายจีวรเพื่อภิกษุทั้งสองหมืรูป พัญญาของกุดุมพีหุหน่าได้กระทำกรรมยิ่งกว่าชนทั้งหลายถือพระอกดอกอังกาบกับผ้าสาัตกะมีสีดังดอกอังกาบราคาพันหนึ่งบูชาพระสัสดาแทบบาดมูลตั้งปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอสรีระของหม่อมชันจงมีสีดังดอกอังกาบนี่แหละและเกิดแล้วขอให้มีชื่อว่าอนชานั่นแลพระศัสดาทรงอนุโมทนาว่า เทวังโหตุขอจงสาเร็จอย่างนั้นเถิดกุดุมพีพัญญาและบริวารทั้งหมดจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกจุดติจากเทวโลกกุดุมพีหัวหน้าเกิดในราชสกุลในกุกุดวดีนครถึงความเจริญไว้ได้เป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้ามาหากัปปินะชนที่เหลือเกิดในตระกูลอัมมาตพัญญาของกุดุมพีหัวหน้าเกิดในราชสกุล ในสาครนครในมัทรัฐพระนา ม, มีพระสรีระเช่นกับสีดอกอังกาบพระญาตินามพระนามว่าอโนชาแล้วนั่นแหละพระนางเจริญวัยแล้วได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้ามหากัปปินะหญิงทั้งหลายที่เหลือก็เกิดในตระกูลอมมาทั้งหลายครั้นถึงเจริญวัยแล้วได้ไปสู่เรือนแห่งบุตรอมมาเหล่านั้นเหมือนกัน ชนเหล่านั้นแม้ทุกคนได้สวยสมบัติเช่นกับสมบัติของพระราชาในการได้พระราชาท่องเที่ยวไปด้วยช้างด้วยมา้าหรือด้วยรถแม้ชนทั้งหลายก็เที่ยวไปด้วยเหมือนอย่างนั้นสวัยสมบัติร่วมกันด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ทำร่วมกันด้วยประการชนนี้วันหนึ่งพระราชาเสด็จอุทยานส่งทอดพระเนตรเห็นพ่อค้าต่างเมืองมาสู่พระนคร จึงตรัสถามทรงทราบว่ามาจากสาวัตถีไกลประมาณ120โยชนจากนคร น, นี้ทรงตรัสถามข่าวอะไรอะไรพ่อค้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพระราชาได้ฟังเท่านั้นปิติห้าเกิดขึ้นแล้วทรงตรัสถามย้ำถึงสามครั้งแม้ครั้งที่ 4, สี่ก็ทรงได้สดับแน่ชัดว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลก ทรงบำเหน็จทรัพย์แสนหนึ่งแก่พวกเขาทรงตรัสถามต่อพอขากราบทูลว่าพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วในโลกตลอดสามวาระด้วยนายยกร น, นั่นแหลได้พระราชทานทรัพย์แสนหนึ่งแก่พวกเขาทั้งหลายแม้ทรงสดับอีกว่าพระสังฆรัตนะอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็พระราชทานทรัพย์แสนหนึ่งแก่พวกเขาทั้งหลายเช่นเดียวกัน ทรงตรัสบอกอัมาตย์ทั้งหลายว่าจะไม่กลับนครจกอุทิศต่อพระสัสดาไปบวชในสำนักของพระองค์แม้อัมาตย์ทั้งหลายก็ตามออกบวช ด, ด้วยกับพระราชาแล้วพระราชาให้อาลักษ์จารึกอักษรให้พระเทวีอโนชาพระราชาทานทรัพย์สามแสนแก่พวกพ่อค้าและให้แจ้งข่าวด้วยว่าพระองค์สละราชาสมบัติถวายพระเทวีแล้วเราจะบวช แม่อมาทั้งหลายก็ส่งข่าวแก่พัญญาของตนของตนอย่างนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จพร้อมด้วยอมาตพันหนึ่งแวดล้อมเดินทางผ่านแม่น้ำอรารวะปัชชาณทีซึ่งมีความลึกหนึ่งคาวุธคือสี่กิโลเมตรและกว้างสองคาวุธคือ8กิโลเมตรด้วยอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรยัยระลึกถึงพุทธานุสติม้าพันหนึ่งม้าสินทบทั้งหลายก็วิ่งไป ดุดวิ่งไปบนหลังแผ่นหินปลายกีบม้าก็ไม่เปียกน้ำนั้นเดินทางผ่านแม่น้ำชื่อนีละวาหนานาทีมีส่วนลึกและกว้างประมาณกึ่งโยศทรงอธิษฐานเช่นครั้งก่อนทรงระลึกถึงธรรมานุสติคําที่เหลือก็ดุดเดียวกันนั่นแหละเดินทางผ่านแม่น้ำชื่อจันทภาคานาทีมีส่วนลึกและกว้างประมาณหนึ่งโยศทรงระลึกถึงคุณของสังขานุสติ ละอธิษฐานเช่นเดียวกันนั้นก็ข้าแม่น้ำนั้นไปได้เช่นเดียวกันเมื่อเสด็จฆ้าแม่น้ำนั้นไปได้ทอยพระเนตรเห็นพระรัศมีคือจับพันยรังสีของพระาศาสดากิ่งคาคบและใบแห่งต้นนิโครธคือใส่ได้เป็นราวกับว่าดสำเร็จด้วยทองคําทรงน้อมสรีระเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วพระาศาสดาทรงแสดงอนุขุพิกถาแล้วในเวลาจบเทศนา พระราชาพร้อมด้วยบริวารตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิพันธ์ลำดับนั้นชนทั้งหมดทูลขอบรรพชาแล้วฝ่ายพ่อค้าเหล่านั้นไปสู่ราชาตระกูลกราบทูลพระเทวีโดยในญาติเดียวกันแห่งพระราชาพระเทวีทรงทราบว่าพระราชาเสด็จออกบวชแล้วถวายราชาสมบัติแก่องค์พระเทวีทรงตรัสว่าพระราชาทรงสละสมบัติ ดุดก้อนน้ำลายใครเล่าจะคุกเข่ารับเอาก้อนน้ำลายที่พระราชาทรงบ้วนทิ้งแล้วด้วยปากเล่าเราไม่ต้องการด้วยสมบัติแม้เราก็จะบวชอุทิศพระาศาสดาทรงเสด็จขึ้นรถออกไปพร้อมด้วยหญิงบริวารพันหนึ่งเสด็จข้ามแม่น้ำทั้งสามแห่งดุดเดียวกับพระราชาพระาศาสดาทรงพุทธนิมิตไม่ให้เห็นภิกษุทั้งหลายทรงตรัสอนุปุพิถา รั้นจบเทสนาพระนางอนุชาเทวีพร้อมทั้งบริวารบรรลุโซดาปฏิผลพระมหากปพินะเทราพร้อมทั้งบริวารรั้นสดับพระธรรมเทสนาที่พระศั ส, สดาทรงขยายแก่หญิงเหล่านั้นแล้วก็ได้บรรลุอรหัตพร้อมปฏิสัมพิธาทั้งหลายคือได้ฟังอนุปพิกถาซ้ำสองครั้งเหมือนกับยสะกุลบุตรพระศสดาทรงตรัสสั่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้น ไปสำนักของพระอุบลว น, นาเทรีในกรุงสาวัตถีเพื่อบรรพชาแล้วในที่สุดจึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พระมหากราปินาเทระเที่ยวเปล่งอุทานในที่ทั้งหลายทั้งที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันว่าสุขหนอสุขหนอบรรดาภิกษุทั้งหลายสงสัยว่าท่านปรารถนาความสุขในกามหรือในราชสมบัติหนอ พระศาสดาทรงตรัสว่าบุตรของเราเปล่งอุทานปรารบสุขในกามหรือสุขในราชสมบัติหาไม่ได้ก็แต่ว่าความเอบอบิ่มในธรรมย่อมเกิดแก่ บ, บุตรของเราบุตรของเรานั้นย่อมเปล่งอุทานอย่างนั้นเพราะปรารบอมะตะมหานิพพานทรงตรัสพระคถาว่าบุคคลผู้เอบอบิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุข บัณฑิตย่อมยินดีในธรรมะที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่ออธิบายผู้เอิบอิ่มในธรรมคือธรรมะปีติอันแทงตลอดอริยสัจ ส, สี่มีทุกเป็นต้นถูกต้องแล้วด้วยโลกุตรธรรม9ก้าอย่างคำว่าสุขนี้สักว่าเป็นหัวข้อเทศนาสมมุติยกขึ้นกล่าวว่าย่อมอยู่เป็นสุข แมด้วยอริยาบทสี่สุขได้แก่ความสงบนัตติสันติปาราังสุขขังไม่ใชีสุขในกาลมคุณหรือทรัพสมบัติใดๆแต่เป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์สงบแล้วดับเย็นจากไฟสามกองคือราคาักคีไฟราคะโทสัคิไฟโทสะโมหคิไฟโมหะ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้เป็นพระอาริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้วดังนี้แหลหมายเหตุคำกล่าวของพระราชาที่ว่าเราสละราชสมบัติเราจักบวชหรือคำกล่าวของพระเทวีที่ว่าเราไม่ต้องการด้วยสมบัติเราก็จักบวช ด, ดังนี้คนปุถุชนมีกิเลสหนาจะไม่มีโอกาสเข้าใจได้ แต่ด้วยบารมีที่ได้สั่งสมมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าปฐุมุตระนับได้หนึ่งแสนกับจึงจะเข้าใจว่าอนุราชาสมบัติพระราชาสละแล้วดุดทมน้ำลายทิ้งอย่างง่ายดายและการที่พระเทวีจะคุกเข่ารับเอาก้อนน้ำลายที่บ้วนทิ้งนั้นย่อมไม่อาจากระทําได้เพราะผู้มีปัญญาย่อมเห็นทุกข์แต่ปุถุชนย่อมทําได้เพราะวิปลาสมองเห็นทุกว่าเป็นสุขสุขขวิปลาส